ก็นู้โมทนากับญาติโยมทุกคนที่มีความสนใจเรื่องนี้นะเนี่นะเอ่อรอบรอบก็ได้คุยกับโยมบางคนไปแล้วซึ่งได้สอบถามถึงว่าที่ผ่านมาได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนยังไงบ้างโยมก็บอกว่า <c oughs> ก็ไปอะ่ะไปกับเขานั่นแหละแล้วก็เขาก็ให้นั่งตามรูปแบบก็คือประมาณขวาขาทับขวาซ้าย ขานะแล้วก็มือก็ทํามืออย่างนี้แล้วก็ให้ปิดตาแล้วก็เ อ, อ่อบริกรรมบริกรรมไหมโยมพูดโอเนาะใช่ไหมพูดพูดในใจหรือเปล่าตอนที่ไปส่วนที่ไปปฏิบัติพูดในใจไหมหรือไม่พูดเลยพูดใช่ไหมอ่าแล้วก็โยมก็บอกว่าจริงๆเขาก็ก็ทําไปอย่างนั้นนะ่ะก็คือไม่รู้ว่าทําไปได้อะไรบ้างแต่โยมบอกว่าแค่แค่ว่าทําเพื่อให้เกิดความสงบ เราก็บอกโอเคว่าก็ก็ทําตามที่เขาบอกมันก็ก็ถูกนะแต่ว่ายมทําความสงบไม่ได้ก็เลยแนะวิธีแบบแบบง่ายๆแต่ว่าที่แนะก็คือเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ทาเพื่อให้เกิดความสงบแต่แนะเพื่อให้เขาเกิดปัญญาคําว่าให้เกิดปัญญาปัญญาอย่างไรก็คือให้เห็นว่าในกายในใจเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ทุกข์ก็คือความไม่สบายนะ ไม่สบายกายไม่สบายใ จ, ม, ยใจมันมีอยู่ในทุกคนแล้วก็ให้เห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงได้ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะก็พูดกันอย่างย่อๆก็คือให้เห็นถึงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายเนี่ยกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมันมีการเปลี่ยนมีการเกิดดับนะ <c oughs> ก็เลยบอกกับโยมว่าเมื่อก่อนเนี้ยตั้งแต่เราเกิด เราไม่ได้ดูตัวเองนะเราไม่ได้ดูกายเราแต่คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนก็จะดูแต่เรื่องข้างนอกก็หมายถึงว่าไปรู้เรื่องของคนนั้นคนนี้คนนั้นสวยคนนั้นรวยคนนั้นโกรธแตคนนั้นคนนั้นทะเลาะแต่คนนั้นก็คือจะรู้แต่เรื่องนอกตัวนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเราเพื่อให้พ้นทุกนะท่านก็บอกว่าให้เรากลับมาดูที่ตัวของเรา ก็คือตัวใครตัวมันตัวของนายก็ดูเรื่องของตัวนายกตัวนายขอก็ดูของเรื่องนายขอให้กลับมาดูที่ตัวเราเท่านั้นเองนะการที่ไปดูคนอื่นก็คือทำให้เราไม่ได้เห็นทุกข์ในในตัวเราทีนี้ถามว่าทุกข์ในตัวเรามันมีอยู่จริงหรือไม่บางคนบอกว่าตัวเองไม่ทุกข์เลยนะตัวเองไม่เคยทุกข์ไม่ต้องปฏิบัติธรรมนะแต่บางคนเขาบอกว่าเขามีทุกข์ รู้ได้เช่นความปวดความเมื่อยความเจ็บนะความร้อนความหนาวเออมก็ถูกใครคนที่เห็นทุกข์เขาก็ถูกเขาพูดถูกอ่ะว่าเขามีอาการเมื่อยเจ็บปวดเย็นร้อนอ่อนแข็งคือมันมีจริงๆแต่คนที่บอกว่าเขาไม่มีทุกข์เลยเพราะอะไรทําไมเขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่รู้จักทุกข์ทั้งๆ้ที่ความเจ็บความเมื่อยความปวดเนี่ยความร้อนความหนาวมันก็มีอยู่ในทุกคนแหละไม่มีใครเกิดมาไม่มีความเจ็บความเมื่อยความปวด ความตึงความอะไรต่างๆเนี่ยมีหมดเพราะนั้นคนที่บอกว่าเขาไม่มีทุกข์นั่นเท่ากับว่าเขาไม่ได้เห็นตัวเองเลยก็ไม่เคยดูตัวเองก็ดูแต่ข้างนอกก็เลยไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนยอมรับกันแล้วว่าตัวเองมีทุกข์อันนี้ขอพูดเรื่องทุกข์ทางกายก่อนนะเพราะว่าเราพิสูจน์ได้เรื่องที่พูดไม่ใช่เรื่องที่เราชวนให้เชื่อหรือเอาคําที่ไม่จริงมาพูด เพะนั้นที่พูดไปเนี่ยก็ทุกคนก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าสิ่งที่พูดมามันมีในเราไหมเช่นเรานั่งอยู่ตอนเนี้ยความปวดมีจริงไหมนะความคันมีจริงไหมคันที่เราเกาเกาันอยู่มันมีจริงไหมความคันก็คือเป็นความทุกข์เพราอะไรมันก็รู้สึกไม่สบายถูกไหมความเมื่อยความเนี่ยเรานั่งไปเนี่ยสมมุติว่าเราจะดูว่ามันพุกข์หรือม่ลองนั่งแบบไม่เปลี่ยนท่าเนี่ยแปบ๊บเดียวแค่นั้นเองเดี๋ยวความทุกข์ก็มาเยือนนะ ความทุกข์ปรากฏขึ้นในกายของเราอาจจะที่ปลายเท้าขาหัวเขา่าเอวอะไรก็แล้วแต่นี่ล้วนแต่เป็นความทุกข์หมดเลยทีนี้ความทุกข์ทางกายเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าเราหนีมันไม่ออกแล้วเกิดมาแล้วมันหนีทุกข์คื อ, อยังไงมันก็ต้องมีจะอธิษฐานจะทำบุญจะตักบาตรอะไรก็ตามเออมันหนีไม่ออกความทุกข์นี้มันหนีไม่ออกเพราะที่เราไปทาบุญตักบาตไปฟังธรรมไป รับศีลศีลห้าศีลแปดเนี่ยอันนั้นมันก็อีกส่วนหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นการ อ, อทําดีได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่มาดูทุกตรงนี้จะต่อยอดไม่ได้เราก็ได้ไต่ทาบุญทั้งชีวิตก็ปรากฏว่าเราไม่รู้จักทุกอยู่ดีเพราะฉะนั้นส่วนทําบุญนะทําบุญตักบาทหรือบริจาคอะไรก็ตามเป็นสิ่งดีก็ให้ทําต่อไปได้แต่สิ่งที่เราให้ความสําคัญมากก็คือเรื่องการดูทุกดูทุกในตัวเรา ดูไปทาําไมดูเราได้อะไรหนึ่งถ้าไม่ดูก็ไม่รู้ไม่เห็นถูกไหมก็เหมือนเมื่อก่อนก่อนที่เราไม่เคยฟังธรรมเราไม่ดูเราก็ไม่รู้ไม่เห็นว่ามันมีทุกตอนนั้นกลับมาดูเมื่อดูแล้วก็จะเห็นทุกถูกไหมเมื่อดูแล้วก็จะเห็นทุกเมื่อเห็นทุกเราก็สังเกตต่อไปว่าทุกเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันมีตลอดเวลาไหมเช่นถึงว่าเรานั่งนานๆเนี่ยทนดูมันสักหน่อยว่าเออมันปวดยิบยิบ จากไม่ปวดก็เริ่มปวดทีละน้อยทีละน้อยเมื่อเราไม่เปลี่ยนมันก็ค่อยรุนแรงมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าดูต่อไปีกมันก็จนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วพอทนไม่ไหวก็ก็เปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนท่านะเปลี่ยนท่านั่งใหม่หลังจากที่มันปวดเราก็สังเกตดีกว่าความทุกข์เนี่ยมันจางคลายลงไปไหมมันยังเหมือนเดิมหรือมันเปลี่ยนไปนะทุกคนดูได้รู้ได้นะ แนี่ถ้าจะพูดแค่เฉลยก็คือว่าเมื่อเราเปลี่ยนเนี่ยก็มันก็ทุกมันก็เจือจางลงไปก็คือคลายออกไปบางคนอาจจะใช้คําว่าไม่ทุกข์แล้วนะหรือบางคนอาจจะเออเหลือทุกข์อยู่แต่ยังน้อยลงก็แล้วแต่ของใครของมันนะเราก็จะพบความจริงว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับไปก็คือมันแปรเปลี่ยนอยู่แปรเปลี่ยนตลอดเวลานะแปรเปลี่ยนแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติเราจะนั่งนานๆเนี่ยเราจะทนดูจนแบบมากๆเนี่ย นั่งอยู่เนี้ยมันเหน็บมันเหน็บแล้วจนกระทั่งว่าสั่งกระดิกไม่ได้แล้วก็มีนะแต่เมื่อนานไปมันก็เปลี่ยนอีกจากที่มันกระดิกไม่ได้กลับมาสภาพเดิมก็คือทุกเนี่ยมันหายไปได้เหมือนกันแต่วิธีนี้ถ้าเราไปดูมันมากเกินเขาเรียกว่าเกินความพอดีทําให้ร่างกายเราแย่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าทางปฏิบัติธรรมเพื่อความ้นทุกข์เนี่ยจะต้องไม่ทําตนให้ลําบาก เพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำท้าทําตนให้ลําบากนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ทางเราทําให้แค่พอดีทําแค่เพื่อศึกษาเล็กๆน้อยๆ น, อยนะอย่าไปทํามากงั้นอย่างเรานั่งอย่างเนี้ยทุกคนก็เกิดอาการแน่นอนก็รู้ไปของใครของมันนะเรื่องความอันนี้เรื่องพูดถึงความปวดความเมื่อยความเจ็บมันก็มีอาการอย่างนี้พูดถึงความร้อนความหนาวความเย็นมันก็คล้ายๆ้ายกันสมมุติว่า ตอนกลางวันเนี่ยมีดวงอาทิตย์คือมันมันร้อนอ่ะนะเราก็จะรู้อยู่ว่ามันร้อนแต่พอเราเปิดสันลมมาช่วยหน่อยบางครั้งรูความร้อนมันเออมันก็จางคลายหายไปมันก็คล้ายๆว่าเป็นความสบายขึ้นนะเป็นความสบายขึ้นหรือว่าเวลามันร้อนไปอาบน้ําความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ร้อนแต่อาจจะกลับเป็นเย็นก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าอาบน้ําเย็นก็รู้สึกว่ามันเย็นใช่ไหมอาบน้ําร้อนมันก็เป็นร้อน แต่ยังไงก็ตามเอะจะเป็นน้ําเย็นน้าร้อนเนี่ยสุดท้ายมันก็แปรเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งทุกวันเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนอยู่นะความตึงความความเมื่อยอย่างเงี้ยเราเดินก็ดีเรานั่งก็ดีแม้กระทั่งนอนนะนอนอยังเมื่อยเลยเรานอนเฉยอฉยนอนเรียบนอนให้สบายก่อนนอนนิ่งๆอะ่ะเดี๋ยวก็เมื่อยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดความทุกข์มีอยู่ในกายตลอดเวลา เทียงแต่ว่ามันแปลเปลี่ยนคือมันจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาบ้างเบาเป็นหนักก็แล้วแต่มันจะสลับไปสลับมาอย่างเนี้ยนี่คือความจริงธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเรานะทีนี้ส่วนทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจมันเกิดจากอะไรบางทีเกิดจากทุกข์ทางกายนะก็ส่งผลไปทางใจทําไมมันส่งผลไปทางใจเพราะว่ามันไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจใจก็เลยเป็นทุก เพราะกายกายทุกเช่นสมมติว่าอย่างเราเนี่ยวัยขนาดเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็คือมีการปวดกันแ ล, ะละ้วล่ะปวดเอวโอ้ยลูกก็โอยนั่งก็โอยถูกไหมนี่ก็คือธรรมชาติถ้าเพียงแต่มันทุกข์ทางกายก็คือมันเจ็บเพียงแต่รู้ว่าเจ็บว่าปวดมันไม่เป็นไรเพราะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเอาใจไปทุกด้วยเช่นบอกไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้ทนไม่ไหวอย่างนั้นอย่างนี้ไปราคาญกับมัน ตรงนี้แล้วก็เรียกว่าทุกทางใจนะพอไปลำคาญกับกับมันไม่ชอบมันอยากให้มันหายเราก็จะโดนสองเด้งก็คือทุกทางใยก็ทุกอยู่แล้วเด้งที่สองก็คือทุกทางใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นาทุกทางใจมีประเด็นอื่นๆก็มีอีกมากเช่นมีความโกรธนะมีความโกรธกับใครก็แล้วแต่เมื่อมีอาการโกรธเราจะรู้ได้หลือว่าหัวใจมันทาไมมันรุ่มร้อนขนาดนั้น นี่ก็คือความทุกข์เวลาเกลียดใครนะเกลียดเกิดความเกลียดขึ้นมานี่ก็คือทุกข์อาการมันเปลียดแทงอ่ะเวลาเรโกรธเราเกลียดก็ดีเวลาโมโหอย่างไรทุกคนมีหมดอาการที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันก็คือเป็นทุกข์เหมือนกันนะอาการอิจฉาอาการทุกสารพัดอาการในใจอ่ะมันก็เป็นทุกข์ทีนี้ไอ้พวกทางใจมันมันจะแก้ยังไงอ่ะ ทุกทางใจมันมั น, ม, นมันแก้ได้หมายถึงว่าจะหยุดไม่ให้มันเป็นทุกทางใจได้เช่นเมื่อทุกทางกายนะไม่รู้ฟังทันไหมเมื่อทุกทางกายเช่นปวดเอวปวดหลังปวดอะไรก็แล้วแต่ให้เพียงเรารู้ว่ามันปวดเฉยๆพอให้รู้ว่ามันปวดนะเราไม่ต้องทุกทางใจก็ได้แต่ที่จะไม่ทุกทางใจได้เราจะต้องมีปัญญาเียก่อนคือเราเข้าใจมันว่าอ๋อความปวดมันเป็นอย่างนี้เองเกิดมาเนี่ย มันต้องปวดต้องเจ็บอยู่แล้วเพราะเกิดมามันต้องทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าบอกว่าความเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมันทุกข์ทางกายเมื่อเรามีปัญญานะเราก็ไม่ทุกข์กับกายที่มันเป็นทุกข์มันออกใช่ไหมอย่างเราเจ็บเนี่ยเราไม่ต้องไปราคาญมันถ้าราคาญเราเจอสองเด้งถ้าเพียงไปรู้ว่าทุกข์แล้วก็เปลี่ยนไปแค่แก้ปัญหาไปมันก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นทุกข์ทางกายเราจะต้องแก้โดยวิธีเปลี่ยนอิริยาบทไป นะเปลี่ยนอื้นที่ปนั่งมากปวดเมื่อยก็เปลี่ยนเตียนั่งค่นี้ปวดก็เปลี่ยนเตียร้อนมากก็ไปอาบน้ําเตียงิวก็ไปกินข้าวเตียไปกินอาหารเตียงนะคือต้องแก้แบบนี้ถ้าไม่แก้เลยมันก็มัน ก, มนก็มันอาจจะบีบพันเรามากว่าเพราะนั้นทุกทางกายคือให้แก้แล้วอย่าไปลาคาญกับมันอ่จําได้เนาะแต่ทีนี้การไม่ลาคาญกับทุกทางกายเราก็ต้องไปฝึกถ้าเราไม่ฝึกมันก็ช่วยไม่ได้ เราต้องไปฝึกกับมันฝึกจนกระทั่งว่าใจมันยอมรับใจมันเข้าใจว่าความทุกข์เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้เองนะเราก็ต้องไปฝึกตรงนั้นทีนี้เรื่องทางใจเรื่องทางใจเวลามันเกิดอาการเช่นทุกข์ทางใจเช่นเวลาโกรธโมโหอิจฉานะหรืออะไรสารพัด ท, ที่มันเกิดทางใจจะทำยังไงก็ให้เราหมั่นดูดูใจตัวเอง ว่าใจตอนเนี้ยเช่นถุงร้อใจเวลามันโกรธให้เพียงเรารู้มาว่าตอนเนี้ยกําลังโกรธอยู่นะหมายถึงว่าจิตใจเนี่ยมันกําลังมีอาการโกรธอยู่กําลังทํำร้ายมันอยู่เจ็บแตบอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็ให้เข้าดูใจเราเวลามันเกลียดใครก็เหมือนกันก็กลับมาดูตัวเองก็คือดูใจเราว่าตอนเนี้ยพอเห็นสิ่งนี้มันเกลียดเข้าในหัวใจแล้วก็ให้รู้ว่าใจมันเกลียดอยู่นะ หรือเวลาโมโหก็ตามก็ให้ดูนะอาการทางใจทางจิตอ่ะทางจิตทางใจบางทีใช้คำว่าจิตบางคนใช้คว่าใจนะแต่ว่าเราเอาหยวนหย่นก็แล้วกันเพราะว่าเราใช้จิตก็ได้ใจก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาอาการใดๆเกิดขึ้นที่ที่จิตใจอ่ะนะให้เรารลึกรู้ให้รู้ว่าตอนเนี้ยกำลังเกิดอะไรขึ้นนะเพราะมันมีอยู่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับอาการทางายเวลาโรกรธเราสังเกตไหมว่า เดิมไม่โกรธใช่ไหมแล้วพอได้ยินเสียงหรือว่าไปเห็นอะไรหรือใครพูดอะไรยังไงมันก็โกรธขึ้นกระทันหันเลยแล้วความโกรธเนี้ยเราสังเกตต่อไปว่ามันอยู่ได้ทั้งวันไหมมันก็ไม่ได้อยู่ได้ทั้งวันก็คือมันมีการเปลี่ยนเหมือนกันจากโกรธเป็นจากโกรธมากเป็นโกรธน้อยถอยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งพบได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่โกรธแล้วก็มีนะมันแล้วแต่ความรุนแรงชนิดที่เราไปให้ไปอะไรที่มันเกิดขึ้น ความเกลียดก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้เกลียดตลอดเวลาความเกลียดมันอาจจะเกิดช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เปลี่ยนจากความเกลียดเป็นเฉยๆก็คือหายความเกลียดหายไปนะเหมือนกับความร้อนความปวดนั่นแหละมันก็หายเหมือนกันความเอความรักความความรักก็เหมือนกันนะสมมติว่าเราเราเห็นใครปั๊บผูกใจรู้สึกรักเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้รักทั้งวันทั้งคืน มันจะมีช่วงเฉยๆอยู่บ้างอาจจะเผลอๆบางช่วงก็เกลียดไปเลยก็ได้เปลี่ยนจากรักเป็นโกรธไปเลยก็ได้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นความรักความโกรธความหลงความอะไรต่างๆมันก็ไม่เที่ยงคือมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทีนี้จะทําจะรู้ได้ยังไงว่ามันเปลี่ยนก็คือเราจะต้องมีความเพียรที่จะดูจิตของเรา ดูจิตของเราบ่อยๆว่าอืตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นมันมีอาการอยู่ตอนหลังเปลี่ยนไปแล้วมันจะสลับอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในจิตก็สรุปก็คือว่าทุกอย่างไม่เที่ยงก็คือเปลี่ยนแนะปลงนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีนี้การพัฒนาปัญญามันจะพัฒนาได้เองก็คือขั้งแรกก็คือหนึ่งให้ดูสองเมื่อดูแล้วก็จะเห็นเห็นอาการ เมื่อเห็นอาการแล้วเราก็จะเห็นต่อมาว่าอาการนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับเมื่อเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเราก็จะพบความจริงว่าอ๋อมันแค่นี้เองมีเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะแล้วปัญญามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อตัวมันเองมันจะเข้าใจถึงขนาดว่าความโกรธใครทำให้มันโกรธอ่ะเราอยากให้โกรธไหมก็เปล่านะเวลามันหายเราทาให้หายไหมก็เปล่า ก็มันก็เกิดปัญญามองเห็นถึงขนาดว่ามันเกิดเองมันดับเองด้วยตัวมันเองนะไปบังคับมันก็ไม่ได้จะเลือกตามให้เราถูกใจก็ไม่ได้นะก็มีแค่รู้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นไสรลักษณ์ถ้าเคยเคยก็ได้ยินคําว่าไตรลักษณ์ก็จะเข้าใจว่าพวกเนี้ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับมันไม่ได้นะทีนี้พอเป็นอย่างนี้พัฒนาไปอีกปัญญามันจะพัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งมันเห็นถึงว่าอาการเนี้ยไม่ใช่เราแล้ว อันนี้บอกแบบเหมือนกับพูดคุยกันไปล่วงหน้าเลยว่าความโกรธก็ดีความเมื่อยก็ดีความรักความอิจฉาอะไรต่างๆก็ดีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเรานะแต่มันเป็นแค่อาการเฉยเฉยแล้วพัฒนาไปอีกมันก็จะเห็นว่าแท้จริงแล้วตัวเราไม่ได้มีเลยนะ น, นี่พูดไปให้ฟังเฉยเฉยก่อนเพราะว่าเรายังหาไม่เจอว่า ตัวเราไม่มีมันเป็นยังไงเพราะทุกวันนี้มันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วก็ยังมีความเห็นผิดอยู่ว่ายังเป็นตัวเรายังเป็นของเราอยู่เราจะไปปลดปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไอ้นั้นก็เราก็คิดเอาอย่างไรไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดปัญญาที่เกิดยามปัญญาขึ้นมามันก็จะเห็นด้วยตัวด้วยตัวตัวจิตเองอะละว่าที่แท้แล้วมันไม่มีตัวเรา เมื่อมันไม่มีตัวเราแล้วความทุกข์ก็ตามความอะไรต่างๆก็ดีมันก็ไม่มีใครทุกข์เพราะมันไม่มีตัวเราทุกข์มีแต่สภาวะทุกข์นะอันนี้พูดไปให้ฟังคร่าวๆเพราะฉะนั้นในในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําให้ได้คือเราจะต้องมีสตินะให้มีสติระลึกได้ถึงกายถึงใจของเรากายมีอาการอย่างไรก็ให้รู้ถึงอาการของกายว่ามันมีอย่างนั้น จิตมีอาการอย่างไรก็ให้รู้ว่าจิตมีอาการอย่างไรในขณะนั้นอย่างตอนนี้อ่าเราต้องพูดถึงปัจจุบันอย่างตอนนี้ใจเราสบายไหมเรารู้ได้เนี่ยใช่ไหมถ้าสบายเราก็รู้ว่าใจสบายถ้าใจเราไม่สบายกําลังหดมิ ด, าดําคาญเราก็รู้ได้นะร่างกายปวดเมื่อยเราก็รู้ได้ร่างกายหายปวดเราก็รู้ได้กลับมาฝึกรู้กายและใจแบบเนี้ยนะ สุรู้รู้แล้วรู้อีกรู้ทั้งจนตายอ่ะทั้งชีวิตยกเว้นนอนหลับที่รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนที่จะรู้ตัวเองให้มากมันเป็นเรื่องเร่งด่วนแลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนต้องจัดไว้ลําดับแรกเลยเพราะมันเป็นเรื่องของความทุกข์กับเรื่องการทนทุกข์เกิดมาต้องทนทุกข์ให้ได้ไม่อย่างนั้นเกิดมาใหม่อีกมีทุกข์อีกแล้วไม่เข้าใจทุกข์อีกก็ทรมานอย่างเนี้ยเพราะนั้นต้องเข้าใจทุกข์ให้ได้แล้วมันจะทนทุกข์ไปได้แล้วไม่ต้อง มีเรามาเกิดอีกจบกันชาติเดียวพอเพราะฉะนั้นต้องเพียรให้มากแล้วยิ่งอย่างไว้นะอย่างไว้นุ๊กไว้สาวแต่ก็ไม่รู้เองว่ามันจะตายวันไหนเมื่อกี้บทตรวจมันจะสรวจหรือเปล่าไม่แนใ่ใจว่าเราไม่รู้ว่าจะตายพวกนี้หรือเปล่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทในเรื่องนี้ปต่จินโบราณเมื่อกี้ก็ตรวจไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าเตือนว่าสังขารทั้งหลายทั้งของไม่เที่ยงแล้วก็บอกว่าให้เราอย่าประมาท นะครัว่าอย่าประมาณก็คือให้เรามีสตินั่นแหละคือเจริญสติใหญ่ามากเพื่อที่จะได้เกิดปัญญาเข้าใจแล้วก็พ้นทุกข์เป็นชาติสุดท้ายเนี้ยนะเอาทีนี้ถามว่าที่พูดมาเนี้ยพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมตอบนะเพราะมันไม่เข้าใจเราจะได้เปลี่ยนลีลาขึ้นโยมโยมพอเข้าใจไหมอเออโ<อ>ยมโยมเข้าใจไหมเนี้ยเนี่ย เดี๋ย ว, ยวใครไม่เข้าใจบ้างเอาลงยกมือสิว่าที่พูดมาพูดอะไรไม่เห็นรู้รื่องเพราะว่าเราจะได้ได้เปลี่ยนใหม่นะเดี๋ยวเสร็จจากนี้อาจจะมีหลังใหม่เดี๋ยวให้ให้โยมผู้หญิงเขาเขาคุยเป็นการส่วนส่วนตัวหลังใหม่ได้นะเพราะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันพิสูจน์ได้เราไม่ใช่เอาเรื่องที่คิดเอามันมีอยู่จริงๆความเจ็บความปวดความเมืยมันมีอยู่จริงแล้วมันก็ปวดแล้วหายแล้วประมาณอย่างเงี้ยมันหมุนเวียนไปเรื่อยเพราะนั้นเราต้องฝึกสติ ทีนี้วิธีฝึกนะเดี๋ยวก็จะบอกอีกทีนึงแต่บอกคร่าวๆเลยวิธีฝึกเนี่ยเราต้องฝึกรู้อย่างเดียวก่อนรู้อย่างเดียวแล้วอย่างอื่นมันจะขึ้นมาให้รู้ทีหลังถ้าเราจะฝึกให้รู้ทุกอย่างอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยสติเราไม่ไวพอที่จะรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเรารู้อย่างเดียวเดี๋ยวลองทดลองนะให้รู้เพียงอย่างเดียวก่อนแล้วอาการอื่นๆก็จะเห็นเองให้รู้อย่างเดียวนะอ้าวให้ทาตอนนี้นั่งให้สบาย ให้รู้ว่าตัวเองอนะ่ะนั่งสบายก่อนรู้อย่างเดียวว่าสบายเอานั่งท่าไหนก็ได้ใครจะนอนเลยก็ได้เออนอนให้สบายนะนอนให้สบายอ่าทีนี้ลองสตาร์ทเริ่มต้นกันเลยนะว่าให้รู้อย่างเดียวก่อนคือให้รู้ว่าตอนเนี้ยมีความสบายอยู่สบายกายนะยังไม่พูดถึงเรื่องใจสบายกายทุกคนจัดให้พร้อมว่าสบายแน่นอนท่านี้ก็แล้วก็ให้รู้ว่าสบายอยู่แล้วก็นั่งนั่งหายใจเป็นปกตินี่แหละลืมตาเนี่ยก็ได้ลืม นั่งปิดตาก็ได้แล้วก็นั่งอยู่แล้วก็ดู เ, เขาเรียกว่านั่งหายใจให้สบายนั่นแหละเดี๋ยวความสบายมันจะเปลี่ยนให้ดูว่ามันสบายจริงหรือเปล่าแตลอง น, นะอย่าเปลี่ยนท่านะอย่าเพิ่งนะไม่งั้นเราพิสูจน์ไม่ได้เรานั่งสมมติว่าอย่างของโยมนะเนาะสมมติว่านั่งตรงนี้สบายนะไอโยมนั่งอยู่ท่า น, นี้แหละนั่งอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สบายอย่างเดียวก่อนแล้วอาการอื่นๆมันค่อยโผล่มาทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง ถ้ายกตัวอย่างเช่นจากสบายก็เป็นเริ่มไม่สบายดีละน้อยถูกไหมไม่สบายดีละน้อยมันก็บีบคันบันดีละหน่อยดีละหน่อยอะ่ะบางทีเวลามันปวดมันไม่ใช่ปวดตำแหน่งเดียวอ่ามะคันที่หน้าก็มีอันนี้ก็ทกนะทบเนี่นั่งสบายอยู่เมื่อกี้อ่ตอนนี้คันอีกแล้วคันที่หน้าอย่ากเกานะเนอะแล้วมันก็จะบีบคันอู้ดทนยากเหลือเกินปวดที่ขาที่เอวที่ข้อเท้าเน็บแล้วเริ่มเน็บอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมเนรู้สีละอย่างแล้วเราก็จะ เห็นอาการที่ปรากฏขึ้นทางสายค่อยๆโผล่หัวขึ้นมามันโง่มันสแสดงให้เราดูโผล่มาโผล่มาทีนี้ลองดูไปก่อนถ้าเราทนได้ทนเพื่อศึกษานะไม่ใช่ว่าทนจนมากเกินเพื่อศึกษาทีนี้ถ้าเห็นว่ามันมันไม่เหมาะแล้วอาจจะร่างกายเราให้อนาคตนั้นไม่ดีก็เปลี่ยนใชแล้วก็จะรู้ว่าไอ้ความบีบคั้นเมื่อกี้ความทุกข์เมื่อกี้มันจางหายไปแล้วมันหายไปแล้วแล้วก็กําลังสบายมาแทนเติมอีกหน่อยมาอีกแล้ว เป็นการพิสูจน์ว่าที่พูดมาที่พระพุทธเจ้าสอนมามันจริงอยู่ไม่จริงเพราะว่าการฟังในเบื้องแรกเนี่ยในหลักการลาเมอสูตรก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธแต่ให้ลองไปทําดูแล้วก็ก็จะรู้เองให้ตรงรู้เองนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราได้พิสูจน์ด้วยตัวเราว่ามันจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องแรกอย่าเพิ่งเชื่อการละเมอสูตรเนี่ยดีมากเลยไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องข่าวลือเรื่อง ความคิดความเห็นของตนอย่าเพิ่งเชื่อหมดเลยคนนั้นบอกคนนี้บอกอย่าเพิ่งเชื่อฟังไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งเชื่ออย่าปักใจเชื่อนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ทุกวันเนี้ยทําไมบ้านเมืองมันวุ่นวายเพราะว่าหูเบาเชื่อง่ายเกิดใครพูดอะไรก็คิดว่าเรื่องจริงไปหมดคนนั้นอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งไปจีโพจีพายค่อยๆที่สุดดูทีนี้เรื่องของกายเกาเนี่ยให้ดูเขาเรียกว่ากําลังปฏิบัติเลยนะเนี่ยตอนนี้กำลังปฏิบัติแล้วก็จะรู้ว่า เออมันมีจริงหลวงพี่หลวงพ่อพูดนี่มันถูกนะอ่าเนี้ยแล้วก็นั่งไปนั่งไปอาการทางใจมันก็เกิดนะหนึ่งอาการทางใจเกิดขี้เกียจสมมุติสมมุตินะนี่ขนานดะนั่งดูกายนะเมื่อกี้บอกให้ดูความสบายอย่างเดียวตอนนี้ความขี้เกียจมาแล้วเริ่มมาหรือบางคนอาจจะความง่วงเริ่มมาหรือบางคนความคิด นั่งอยู่กับที่เนี่ยนั่งดูสบายเมื่อกี้เนี่มันแอบไปคิดอะไรก็ไม่รู้กี่เรื่องแล้วนต้องดูคิดถึงใค ร, นนครต่อใครคิดถึงงานค้างคิดถึงพุวกนี้เห็นไหมเราเริ่มรู้จักแล้วแค่เรารู้จักสิ่งเดียวความสบายกลายเป็นรู้เริ่มเลยหลายหลยสิ่งแล้วพอมันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แทนที่เมื่อกี้สบายอยู่พอมันคิดเรื่องนั้นเอา้าความทุกข์กุบมอกกุ้มใจมาอีกแค่อะไรกันนะักันาหนชีวิตนี้อ แต่ไม่ต้องไปหามันนะนั่งอยู่กับที่รู้อยู่กับที่นี่แหละอย่างอื่นมันมาเองความเมื่อยความปวดความง่วงเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ง่วงอ่ะต้องง่วงขับตกเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งเราปฏิบัติทําใหม่ๆเนี่ยตัวที่มาฝังทางไม่ให้เราปฏิบัติมันมีอยู่เช่นความง่วงความที่เกียตตัวเนี้ยมันจะตัดรอนก่อนคือไม่ให้เราทําไม่ให้เราปฏิบัติมันจะมาฝังไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีขันติคือต้อง ต้องสู้กับมันหมายเพราะว่าต้องผ่านมันก่อนเช่นมันง่วงมันจะไปนอนอย่าไปนอนเขาเรียกว่าค่อยๆเขาเรียกว่าเอฝึกให้มันผ่านไปก่อนเวลามันง่วงก็อย่าไปนอนเวลามันขี้เกียจก็อย่าอย่าเพิ่งเลิกประมาณนี้ถ้าไม่อย่างนั้นนะเราจะไม่ก้าวหน้าในทางธรรมะเพราะว่าพอง่วงก็ไปนอนพอมันขี้เกียจก็เลิกแล้วธรรมะมันก้าวหน้าไม่ได้เลยเพราะว่ามันขวางไว้หมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทวนตรงนี้ทวนกระแสของมัน ต้องมีความอดทนต้องมีความเพียร น, นะแล้วถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยเรากดก้นทุกไม่ได้แน่นอนพระพุทธเจ้าบอกให้มีความเพียรพระพุทธเจ้าท่านก็มีความเพียรเพียรครั้งแรกที่ไปอดข้าวอดน้ําปนั่นสุดโต่งผิดทางไม่ไปนะตอนตอนที่อยู่ในวังไอ้นั่นก็มีความสุขมากเกินไปสวรรค์ ส, สุกอยู่ก็ดับทุกข์ไม่ได้ก็เลยมาแสาวงหามาเจอ หนทางที่ผิดแต่สุดท้ายมาเจอหนทางที่ถูกก็คือมีความพอดีทางสายกลางก็เลยเข้าใจธรรมะทางสายกลางก็คือ ก, กินข้าวให้หิวมันแหละนอนให้พอนะแล้วก็ดูดูลมหายใจนั่งใต้ ท, ท่อนพพดูลมหายใจอยู่ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกดูไปดูมาก็ไปเห็นความคิดเห็นไหมตอนแรกก็ดูลมก่อนนั่นแหละดูไปดูมาเอา้าเห็นความคิดความคิดคิดถึงราหนุนคิดถึงปราศาสตามดูดูคิดถึงพิมพา ความคิดเริ่มโผล่แล้วคิดถึงนางขนมแก้ผ้าร่อนจอน ย, ยั่วยวนอยู่ก็เรียกว่ามานั่นแหละตอนนั้นมารสะจนอย่างหนักมาในที่นี้ก็คือความคิดนั่นแหละมันคิดถึงทีนี้ถ้าท่านไม่มีความเพียรนะพอบอกว่าเออลาหวนยังเล็กอยู่นะกลับบ้านเถอะถ้าไม่มีความเพียรท่านก็ไปแล้วท่านก็ไม่สําเร็จใช่ไหมคิดถึงพิมพ า, อ ย, างงอย่างนั้นอย่างนี้อ่าถ้าท่านไม่ทําความเพียรท่านก็ลุกแล้วก็จัดจะรู้ไม่ได้คิดถึงราหวนคิดถึงประจักษ์สามฤดู ถ้าไปลูกจากที่นั่งตรงนี้ก็บรรลุไม่ได้ท่านมีความเพียรมีขันติก็เลยไม่เชื่อความคิดนั่งดูความคิดอย่างเดียวคิดตก็คิดไปกลับมาดูลมหมายใจใหม่คิดไปก็ดูลมหมายใจใหม่าจเป็นชนะไปได้จนกระนั้นท่านรู้ธรรมะยันแจ้งก็จะรู้ได้มาสอนพวกเราให้คนทุกข์ท่านก็บอกสูตรหมดแล้วว่าวิธีทําให้คนทุกข์ทำยังไงก็ฝึกสติก็ฝึกดูอย่างนี้แหละดูทุก ตุกไปทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ทุกมันเป็นอาการทุกจนกระทั่งว่าต่อไปทุกก็ไม่กลัวอ่าไม่กลัวแล้วเพราะกลัวมันทําไมถึงกลัวมันก็ยังทุกพอไม่กลัวเสร็จใจก็ท้นจากทุกตรงนั้นได้ก็ประมาณอย่างนี้แหละเดี๋ยวถ้ามีรอบหน้าก็ค่อยพูดต่อทีนี้ตอนนี้ยังไงต่อแต่แต่ถึง อาจมาบอกว่าเลิกแล้วก็จริงนะเราอยากเพิ่งเลิกเราดูของเราอยู่นะเพราะว่าต่อจากนี้เราจะต้องดูทุกตลอดเวลาบางทีพอบอกว่าเลิกลืมดูถูกนะกลับบ้านใจเลยคิดถึงบ้านแล้วไปกดเกมไปดูละครทีวีย่องผีมันคิดไปนู่นแล้วตัวอยู่นี่ใจไปถึงน่องนองนนองดูทีวีเรียบร้อยมันเร็วมากวันนั้นเราก็ให้ดูที่ตัวเราไปเรื่อยๆระหว่างเดินก็ดูกายเคลื่อนไหวเดี๋ยวรายละเอียดก็ ค, ค, คุยกันอีกทีนึง แต่ ว, ว่าแต่พรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมาครบกลับแล้วโยมจะ ว, ว่ายังไง <c oughs> <c oughs> ไม่คืออันนี้พูดถึงความตั้งใจแต่เดิมว่าจะมาอยู่นี่ประมาณสามวันนะพรุ่งนี้บินสบาดครบวันที่สามก็คือกลับแต่ ว, ว่าถ้าโยมว่ายังไงก็ก็แล้วแต่โยมเราก็ยังมีเวลาอยู่